ท่านฟังที่เคารพคะ่ะรายการสรนสานีสนธนาในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นเวลาที่ท่านจะได้พบกับพระเพรบุญอภิปุณโณ น, นะคะจวัดปบารดอนไฮโงอุดรธานีในช่วงเปิดทางที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนคะค่ะกลับมาพิธีการกับท่านคะท่านบานท่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ก็บอกว่ายังอยู่ในช่วงที่ฝนตกเยอะนะคะอืท่านอยู่ดอนคงดีในแง่รถไม่ติดแล้วก็ฝนไม่ตก <laughs> ฝนไม่ตกเลยค่ะทั้งยาไม่ตกมาอาทิตย์หนึ่งแล้วไม่เห่แต่ว่าโออืมปีนี้มันคือแถวนี้ก็น้ำแรงก็มีนะใช่ค่ะก็ไปภาคใต้ที่แถวแถวนครศรีธรรมราชก็ได้ทราบว่าแถวนั้นน้ำทำท่าว่าจะแรงอืมในพื้นที่ใหญ่ทีเดียวก็เป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันบริหารจัดการว่าจะทาอย่างไรดีให้น้าพอใช้นะคะ แต่ยังในกรุงเทพอะค่ะท้งมันจะมีปัญหาเรื่องฝนตกปุ๊บเขาบอกว่าฝนเนี่ยเหมือนกับมีเวลาตกเวลาทำงาน <c oughs> <c oughs> คือทำงานเวลาที่คนอื่นเขาเลิกงานเลยทำให้คนที่เลิกงานพลอยลำบากไปด้วยชีวิตนี่ตัดสินใจเปลี่ยนใจเดินทางกันกระทันหันทั้งนั้นเพราะว่าไปเข้าจริงๆมันก็ไปไหนไม่ได้ตรงนี้มันอย่างที่เราคุยกันเมื่อวันก่อนใช่ไหมว่า ฝนมันคือตรงที่ต้องการฝนแต่ฝ น, นไม่ตกตอนที่ไม่ต้องการฝนฝนด้านตกอย่างเงี้ยนันคือสิ่งที่เราไม่ต้องการมันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีส่วนเต็มๆเลยนะในการที่จะทําตรงนี้คือเพราะมันเกี่ยวกับภาษาเพราะฉะถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลฝึกจิตของเราเองนะไอ้ตรงนี้แหละจะทําให้เราเจอภาษาที่น่าพอใจได้นะอย่างอย่างที่ตัวอย่างที่ยกให้ฟังเมื่อเมื่อวานนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องชาวนาที่เข า, ถาแถวๆนี้น้ําแล้งแต่ว่าแปลงนาเขามีน้ําเต็มเลยนะ่ย <c oughs> มันก็พูดยากเหมือนกันนะนะค่ะท่านผู้ฟังท่านใดพลาดฟังวันก่อนดิฉันเกรงจะเสียโอกาสก็รบกวนท่านได้ช่วยกรุณาบอกซ้ำอีกทีได้ไหมคะว่าทำไมระหว่างที่เพื่อนๆ เ, นเนขาแรงขนาดนั้นท่านนี้ยังมีน้ำใช้เออคือพระพุ้ธเจ้าเคยได้ตรัสเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ว่ า, าสมมติอาการที่ ฝนมันตกตไม่ถูกต้องตามเสมอๆเนีน่ยก็เพราะว่าความที่ระบบทิศทางลมมันไม่ถูกต้องระบบทิศทางลมที่ถูกต้องมันแปรปลี่ยนไปเนี่ยก็บอกว่าวงรอบเดือนวงรอบปีวงรอบสิบห้าวันเนี่ยวันปักเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั้นก็เพราะว่าวงโคจรของโลกของดวงใจของดวงอาทิตย์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปที่วงโคจรเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปก็เพราะว่าคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไป นะเป็นมีกิเลสมีราคะโทสะโมหะมากขึน้นก็จึงไม่สม่ำเสมอทีนี้ถ้าเราต้องการทําตรงนี้ให้เกิดขึ้นเราก็ถ้าเป็นคนดีนะมีราคะโทสะโมหะน้อยนะเพราะมีตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะไล่กลับเขืนไปใช่ไหม ค, นะคือตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าเชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลให้ดูว่าเออถ้าเราเป็นคนสร้างบุญสร้างบุญส่อยู่เรื่อยๆนะสร้างบุญสร้างบุญสนเนี่ยก็คือมีราคะโทสะโมหะน้อยนะไอสิ่งที่เราต้องการคือน้ําฝนเนี่ย มันก็จะตกต้องตามฤดูสมควรในที่ที่เรามีแล้วบุคคลที่เราได้ยกตัวอย่างเมื่อวานนี้คือเป็นชาวนาอยู่ที่บ้านหนองตะเหล่าดอนไหสุงนี่เองนะเขาก็ทําบุญอย่างสม่ําเสมอไม่ใช่คนเดียวนะไม่ใช่ตัวพ่อบ้านคนเดียวทั้งแม่บ้านด้วยลูกด้วยนะพ่อบ้านก็ขับรถพาพาระไปรับปินฑบาต ท, ทุกเชา้าทุกเชา้านะพระต้องการไปไหนมีธุระที่ไหนไปในเมือ ง, งก็พาไปอย่างเงี้ยนะคอยอุปถาอุปถมัมป์คนอื่นๆในหมู่บ้านเนี่ย โอโ้กว่าจะได้ดำนาเนี่ยหรือดำไปแล้วเนี่ยก็ดำทั้งแห้งๆเงี้ยนะข้าวก็เหลืองใชนะ่แต่แปลงนาเขาก็เป็นแปลงนาที่มีน้ำํำอุดมสมบูรณ์นะฝนตกมากนะ้ํามันก็ไหลไปไหนไม่รู้มันก็ไม่ท่วมฝนตกน้อยก็ไม่รู้น้ํามันไหลมาจากไหนมันก็มาอยู่ดีแตนะ่เขาก็ยังงงตัวเองเหมือนกันว่าเฮ้ย hey, ทาไมปีนี้เขาดีจริงๆรงนะิมาสํารวจจารีวัตตัวเองก็เพราะว่าอคงเป็นเพราะบุญที่เราสร้างเอาไว้ น, ะนี่เป็นเจ้าตัวเนี่ยได้ข้อสรุปข้อนี้เองมาเล่าให้มาฟังนะ ก็เลยเป็นข้อสรุป<ะ>ว่าเออท่านผู้ฟังเนี่ยถ้าเราต้องการให้ภรรษาที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเรานะีอันนี้เราทําความดีเลยแตนะ่ผู้เช่ายืนยันไว้เลยคุณยมติ ว, ว่าภรรษาเนี่ยคือสิ่งที่มากระทบเนี่ยนะคือบุญบุญคือชื่อของความสุขใช่ไหม<ะ>ถ้าเราสร้างบุญเราต้องการความสุขความสุขมาทางไหนได้บ้างนะีได้6กทางนะีคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทางใดทางหนึ่งนะีมันจะมารวมตรงนี้เพรา ะ, ะนั้นถ้ามันมาปุ๊บ เ, เราพอรับบุญของเราได้โดยการสร้างบุญนั่นเอง ก็เท่ากับว่าเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของการที่เราพยายามปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธองค์สอนยังมีคนที่เขามีความเชื่อว่าทำให้เขามีน้ำใช้ในขณะที่เพื่อนไม่มีเพื่น <c oughs> อนไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ อ, อย่างไม่ได้อะไรเลยท่านคะสมมติเกิดพยายามควบคุมผัสสะอย่างเงี้ยนะคะหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยน้าไม่มีหรอกก็ยังแห้งอยู่นั่นแหละแต่สิ่งที่ได้ มีบ้างไหมคะจากการปฏิบัตินั้นออมีมันก็ไล่ไปคือบางทีช่องทางออกของบุญกุศลเนี่ยมันไม่ได้มีออกฮีตูของเรานะมันไปนส่วนที่ไปออกกับสิ่งที่เรารักเช่นลูกเต้าก็มีในหลายๆคนที่มาสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการมาปฏิบัติสมาธิบ้างรักษาศีลบ้างเอาให้ทานบ้างแลทําไปทําไปตัวเองก็เป็นพนัก ง, งานกินเงินเดินธรรมดานะเป็นข้าราชการทำธารกิจธรรมดาเนี่ย มันก็ไม่มีช่องทางที่จะให้บุญออกตัวเองก็ไม่ได้ซื้อหวยซื้ออะไรแต่ปรากฏว่าช่องทางไปออกที่ลูกลูกเรียนจบได้งานดีมากเลยได้งานต่างประเทศเงินเดือนเป็นหลายๆแส น, แนก็ไปทํางานอยู่เมืองอย่างเงีเ้ยเงินเดือนหลายๆแสนอ้าวมันก็เป็นช่องทางออกให้พ่อแม่ได้บุญกุศล ต, ตรงนั้นด้วยใช่ค่ะแบบอย่างงี้ดิฉันเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงเป็นพอนคือมีครอบครัวหนึ่งเคยเล่าในสถานีนี้แล้วแหละว่า คุณพ่อเนี่ยเป็นคนไม่หล่อเลยนะคะคุณแม่ก็ไม่สวยเลยแต่สองท่านเนี่ยเป็นคนใจบุญสุนทานทำบุญตักบาตรสวดมนต์ปฏิบททัติธรรมลูกสาวท่านก็สวยทุกคน ม, มาตรฐานเป็นนางงามทั้งนั้นเลยนะคะ<อ>มีคนไปถามว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นเช่นนี้ท่านก็เลยบอกว่าก็เนี่ยสวดมนต์ภาวนานี่แหละก็ได้รู้นะตาดีอย่างเนี้ถือไ่า ขออนุมทนาได้ัหมคะท่านคะเออถูกต้องเลยพระพุทธเจ้าเคยบอกองี้นายกตัวอย่างเปรียบเทียบในเวลาเรารดน้ําต้นไม้ในคุณโยมติวรถที่ไหนรถที่รากสิคะรถที่รากแล้วเวลาผลมันไปออ ก, ออ ก, ออกที่ไหนออกที่กิ่งก้านมเออมันไม่ได้ออกที่รากนะเมี่ยถึงผลไมทั่วไปเช่นมะม่วงเป็นต้นแต่เพราะนั้นเวลาเราสร้างบุญเนี่ยเราสร้างบุญด้วยการให้ด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาสร้างที่ตัวเราที่จิตเราไ อ, อ้แต่วเวลาไปออกมันไปออกกันลูกก็มี ไปออกกับสามีออกกับภรรยาออกกับสิ่งที่เรารักนะออกกับภัยพิบัติที่ว่ามันไม่มาท่วมบ้านเราอย่างนี้เป็นต้นนะบ้านบางคนรอดอย่างเงี้ยมันก็ออกอย่างเงี้ยมันออก็ช่วยไม่ได้มันก็คือเป็นลักษณะของบุญที่มันจะม า, ามการทําบุญคือทําในสิ่งที่ดีทําให้ตัวเราสบายใจทําให้คนอื่นสบายใจดิฉันจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะบุญผู้ญญ เ, เจ้าปัญญาไปชัดเจนคุณจอมติวที่สรุปนั้นก็ถูกอยู่นะถ้าผู้เจ้าพูดถึงก็คือศีลสมาธิปัญญาในนี้คือทางสร้างบุญ หรือว่าทานศีลภาวนาอย่างนี้ก็ได้งั้นอย่างดิฉันส่งยิ้มให้ใครอย่างเงี้ยดิฉันถือว่าดิฉันให้แล้วในะให้รอยยิ้มอืมให้ไ ป, ปปุ๊บคนที่เห็นเรายิ้มให้ตอนแรกกําลังนั่งหน้าสังกตายอยู่ทีเดียวเขาก็ยิ้มตอบโดยพลันหน้าตามีความสุขอย่างนี้เราได้บุญไหมคะอันนี้คือจิตของเราทรงไว้ด้วยความรักความเมตตาถูกไม่มจิตของเรามีกระแสแห่งความรักความเมตตาแผ่ออไปเนี่ยนะเรก็คือเป็นการสร้างบุญถูกต้องเลย เนี่ยเป็นมนโนกรรมที่ดีมากเห็นไหมคะมว่าบุญทําให้ยากโอไม่ยาก oh, ไม่ยา ก, ยากเดินผ่านคนที่เขาทํางานหนักกว่าเราฐานะต่ําต้อยกว่าเราสีหน้าไม่มีความสุขเลยยิ้มให้เขาสักทีหนึ่งก็ทําให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นถ้าพูดในแง่ของทางโลกแต่ใน <Hey. S 2> ทางธรรมนุศสมันเกิดขึ้นแล้วถูกต้องท่านคะที่นี้จริงๆมันมีคําถามแต่เช่นเก่งว่าเวลาที่เหลืออยู่เพียงแค่เท่าไหร่ครเนี่ยแปดนาทีไหวไหมคะ ใช่สำหรับรรการที่จะตอบคำถามเรื่องวิธีวัดความก้าวหน้าของจิตค่ะเอ่อก็จะพูดถึงพรุทเจ้าเคยตรัสไว้ในเรื่องของวิธีวัดว่าอินทร์การภาวนานเนี่ยดีหรือไม่ดีเลยนะก็ดูที่การปล่อยวางอารมณ์หมายความว่าบางทีเรามีอารมณ์ที่เกิดขึ้นชอบใจไม่ชอบใจอย่างเงี้ยนะเราเดินเดินไปเจอผัสสะต่างๆเกิดขึ้นงานหนักรถติดน้ำท่วมความเครียดต่างๆประดุมประรังเข้ามา ไหนะเมื่อมันรุมเร้าเข้ามาเนี่ยเอ่อเวลาเรากลับมาบ้านแล้วเราพกผ่อนจนใจแล้วจะนอนแล้วเนี่ยนะเราปล่อยวางอารมณ์ได้ไหมนะคือคือวัดที่ความเร็วในการปล่อยวางอารมณนะ์ปล่อยวางอารมณ์ที่ชอบใจแล้วไม่ชอบใจแล้วเหลืออะไรไว้นะั้นเหลืออุเบกขาไว้นะัอุเบกขายังคงเหลืออยู่เนี่ยคุณทําให้เร็วเท่าไหรนัเนะอาดีที่สุดเลยนะัที่พุทเจ้าพูดว่าชั้นเลิศนะัชมเลยนั้นะก็คือเอ่อพูดถึงการที่ปล่อยวางได้เท่ากับคนกระพิบตานะหรือว่า เวลาเราขากถุยเสลดเนี่ยนะขอโทษทีถุยเส็ดปุ๊บของคนแข็งแรงเนะี่ยถุยไปปุ๊บมันลงพื้นเนี่ยด้วยความเร็วเท่านี้นะหรือเวลาที่กระทะร้อนแดงๆเนี่ยนะเราก็หยดน้ำลงไปหยดหนึงแล้วไอ้น้ำหยดนั้นมันเลยเคยกลายเป็นไอเนี่ยนะนี่เป็นตัวอย่างเฉยๆพระเจ้าอยังเปรียบเทียบเหมือนกับคนแข็งแรงที่เอาขูบแขนเข้าแล้วยืดออกด้วยความเร็วนะนี่คือวางได้เร็วขนาดนี้ แตทีนถ้าเราเก็บมาบ้านด้วยเก็บมาบอกคนที่บ้านด้วยก่อนจะนอนต้องอีกสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงกว่าจะหลับเป็นชั่วโมงกว่าจะหลับอันนี้คือคุณวางอารมณ์ได้ชา้านะยังเก็บมาจนถึงตอนกลางคืนที่ก่อนนอนด้วยซ้ําำนะแต่ถ้าเราวางไว้ตั้งแต่ตอนที่ออกจากประตูที่ทํางานโอ้นี่ดีมากใช่ไหมถ้าพูดถึงเรื่องที่เรามักมีความรู้สึกว่าเราวางได้ มันจะคล้ายๆกับความรู้สึกนี้ไหมคะลืมอะคะ่ะบางคนขี้ลืมอลืมก็บบมไม่ลงกับขี้ลืมมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน <c oughs> ไม่เหมือนกัน <c oughs> อการที่เราปล่อยวางได้เนี่ยคือจิตเราจะเบานะการที่เราลืมเนี่ยเราจะมีความกังวลอยู่แต่คุณนึกไม่ออกนะมันจะอมันอะไรนาะมันยังไงเนาะจะทํายังไงต่อไปแต่คิดไม่ออกเลยนี่คือลืม <c oughs> ขี้ลืมนะแต่ใจไม่เบา แต่คนที่วางได้แล้วไม่หลงลืมเป็นยังไงคือใจเบานะสบายนะแรงระลึกได้ถ้าต้องการระลึกก็ระลึกได้ไม่เหมือนกันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วเหตุก็ไม่มาไม่เหมือนกันด้วยนะอย่างคนหลงหลงลืมลืมแล้วก็เครียดเนี่ยในเหตุมาจากการที่จิตเกายังมีการเกาะเกี่ยวยังมีการเกี่ยวพันในขณะที่คนที่ปล่อยวางได้แล้วไม่หลงลืมเนี่ยเพราะว่าจิตก็มีสติมีสมาธิเห็นผลที่จะเกิดขึ้นก็ต่างกันโดยสิ้นเชิง2คนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ได้ทราบนะค่ะว่าถ้าวางได้จะสบายมากใช่ไม่มีความกังวลไม่มีความวิตกเหลืออยู่มีแต่ความว่างๆเ บ, า, บาๆอืมวางได้เนี่ยฟังเหมือนง่ายๆนะคุณโยมติ๋วแบบคือคือเหมือน <c oughs> เราถือของขนาดแล้วก็วางซะไม่เห็นยากอะไรเลยนี่แหละที่ตรงที่ยากว่าเราไม่เห็นว่าเราจะวางยังไงเราไม่มีวิธีการไม่มีกุศโลบาย น, นี่คือคือข้อที่หนึ่งจริงๆมันมีอยู่สามข้อในการวางความก้าวหน้ามันจะกอพูดถึงข้อต่อไปเลย ค, คือข้อที่2เนี่ยพูดถึงความเวี่ยงของจิตของเราหมายถึงว่าที่เราวางได้วางได้เนี่ยก่อนที่คุณจะวางได้คุณปี๊ดขึ้นไปเนี่ยสูงหรือต่ําหรือว่าที่คุณพอใจเนี่ยคุณพอใจโห้ยมากหรือน้อยคือเราพูดถึงอารมณ์ที่เป็นบวกหรือที่เป็นลบใช่ไหมสมมุติเขามาพูดสรรเสริญเยินยอเราลอยขึ้นไปฟุ้งไปสูงไหมหรือว่าต่ําๆหรือถ้าเขามาพูดให้เราโกรธให้ เ, เรามาจี๊ดเราพุ่งลงไปเนี่ย สูงไหมหรือต่ํแนตะถ้าเราจากที่โกรธมากๆก็เหลือที่โกรธน้อยลงจากที่ฟุ้งเฟอเ้อเห่อเหิมตัวลอยมากๆก็เหลือตัวลอยน้อยลงอันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะัคือข้อที่หนึ่งเนี่ยวัดช่วงระยะเวลาใช่คือตามแนวนอนนะข้อที่สองนี่คือวัดตามแนวตั้งนะคือความสูงของอารมณ์ที่ขึ้นลงนั้นเหมือนกันนิสาเลยนะ <laughs> เขียนกาออกมา ประเภทแบบแนวตั้งเขาเรียกว่าปรีดวัดแต่ความปรีดเหรเวียงอ่ะเวียงขึ้นเ <c oughs> วียงลงนะั่นนะสมัยนี้เขาจะมีหลายๆคําท่านก็พูดภาษาสมัยใหม่นะคะท <c oughs> ่านอาจารย์คะทีนี้เตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณสีนาทีทีันะเดี๋วจะพูดถึงเรื่องกรถินอีกสักครั้งหนึ่งออว่าความหมายที่แท้จริงของกรถินเป็นอย่างไรจะได้โยงเข้าเรื่องการทอดกรถินที่วดาาัดนะคะอ๋อกรถินก็คือคือผ้านั่นเองนะผ้าที่อยู่ในช่วงฤดูการ ผ้าที่อยู่ในช่วงฤดูการเนี่ยเขาเรียกว่าผ้ากรถินฤดูการนี้คืออะไรนั่นะคือฤดูการช่วงที่ออกพรรษาไปอีกหนึ่งเดือนหลังจากวันออกพรรษาไปเป็นเวลาช่วงสามสิบวันนี้เป็นเวลาที่มีฤดูการสําหรับการถวายผ้าผ้าเหล่านั้นจะเรียกว่าผ้ากระถิ่นค่ะ อ, อก็ถวายได้เฉพาะสําหรับในอาวาทที่มีภิกษุนะจําพรรษาเป็นหมู่คณะขึ้นไปตั้งแต่สีรูปห้ารูปนะก็แล้วแต่ค่ะและที่สําคัญคนไทยเนี่ยชอบทอดกรถิ่นมาก กรถิ่นกับผู้ป<น>่าทําอะไรได้บุญมากก่ากันใช่ไหมคะบุญมากบุญน้อยอยู่ที่จิตของเราว่าเรามีศรัทธาไหมอ่าเราก็อยู่ที่ผู้รับว่าผู้รับมีอ่าการปฏิบัติเป็นอย่างไรนั่นเองคือรูปแบบของการให้ไม่ว่าคุณจะให้กรถินคุณจะให้อาหารคุณจะให้เครึ่งหนึ่งโฮมหรือคุณจะให้แบบไหนก็นแล้วแต่ไม่ได้เกี่ยวเลยรูปแบบการให้ยกไว้ก่อนต่างหากสังฆทานไม่สังฆทานเฉพาะจอดจงหรือโดยรวมแยกไว้เลย บุญมากบุญน้อยอยู่ที่จิตของเราก่อนระหว่างหลังมีสท้าบุญมากบุญน้อยอยู่ที่ผู้รับว่ามีราคาโทสะโมหะน้อยหรือไม่มีเลยมาแค่นี้เองหกอย่างค่ะนะคะและสําหรับท่านที่สนใจจะทอดกระถิ่นกับวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีชื่อบัญชีวัดป่าดอนหายโศกธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรบิกซีหมายเลข950าขีดศขีด ศ4นย์สกนะคะก็ติดต่อกันไปแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นี้ออขออภัยค่ะยังมีเว็บไซต์ที่จะให้ได้ไปฟังธรรมจากพระอาจารย์เพียบบูลนะคะชื่อเพียวธรร .com/ 1 0 6ด้วยท่านที่สนใจหนังสือเราจะมีหนังสือแจกให้อยู่ค่ะแต่เดี๋ยวขอกราบในมหัศการลาพระอาจารย์เพียบูลขรบพระคุณท่านก่อนนะคะนมหัศการกับ ท, ทั้นคะเชี่ยบานค่ะสำหรับหนังสือที่แจกเราก็ จากทาง 02-269-00-06 ค่ะท่านแจ้งความจานงงมาเรามีแจกให้สัปดาห์ละคือวันละ3ท่านท่านละ1เล่นนะคะและคิดว่าวันนี้พอควรแกเวลาแล้วละคะต้องนัดหมายกันต่อไปในวันพรุ่งนี้คะ่ะตีหถึงตีหครึ่งกับรายการสันสินีสนทนาและที่ฉันสันสินญนาพรศนะคะวันนี้พุท่วสวัสดีคะ่ะ